พอตกมาสมัยทุกวันนี้เป็นบัด้านวัตถุโกงกั้งข้ามไปเลยเราที่เห็นได้หนะที่ต่างๆแล้วเพราะอย่างยิ่งตามมัดวาอารามมีแต่การก่อการสร้างตกประดับเป็นความสวยงามคันนั่นเป็นถือว่าเป็นกิจของศาสนาจริงๆขึ้นมาซะแล้วทางุทธการทำไมสนใจในกิจเหล่านี้แต่สนใจในการ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 แราเกิด ต, ตัวขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจหมูกเลี้นกายก่อใช้ได้เป็นแค่ น, นั้นอะ่ะ ต, ตาดูหูก็ฟังเลยวิริยก็เข้ามาเลยทีนี้ก็เลยไนมะ่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวรวมน่าตั้งแต่เป็นเรื่องของวิริยะการหาอาสะทั้งหมดคิดตอนในแง่ในมุมใดเวลาใดอดีตหรืออนาคตล้นแยกตั้งแต่การกอป่วยวิริย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 เบื้องต้นของการเดินปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักตายตัวเป็นสิ่งสําคัญอยู่มากแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินไปแล้วเรื่องสมาธินั้นจะค่อยด้อยลงด้อยลงไม่ค่อยจะมาสนใจอะไรมากกับสมาธิจิตจะเชิญต่อการพิจารณาไปเรื่อยการพิจารณาก็จะหมายถึงพิจารณาอะไรก็พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ติดอยู่นั่นแหละอ ะ, อะไรเราติดอืม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 เป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตพุทโธพุทโธขั้นต่อไปต่อไปคําว่าพุทโธของกับความรู้ของเร า, าค่อยกลมคลืนกันเข้าไปโดนดับจนกลายเป็นอันเดียวกันแล้วคําว่าพุทโธก็ปล่อยได้ในขณะ น, นั้นนี่ก็เป็นพุโทโธขั้นหนึ่งพุโทโธขั้นนี้กล้าเขาจะกระทั่งถึงพุโทโธขั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอวิชชาสัญญาอสวะทั้งหมดนั้นเป็นพุโทโธที่แท้จริงเป็นธรรมโมแท้มมเป็นสังโฆแ ท, ท้พุทธธรรมะสังฆะเป็นอันเดียวกันในขนาด น, นั้น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 การกล่าวมาทั้งนี้อยู่ที่ไหนทำที่กล่างมาทั้งหมดถ้าไม่อยู่ที่ผู้รู้เวลานี้ไม่มีที่อยู่ผู้นี้เป็นผู้รู้แต่เวลานี้เป็นผู้เป็นยังผู้ยังหลงยังไม่สามารถที่จะทําความรู้ให้เต็มภูมิแห่งความรู้ล้วนๆได้จึงต้องอาศัยการซักพ่อเพื่อการคิดปฏิบัติการได้ยินได้ฟังจนกระทั่งถึงจุดตัวเองได้เต็มความสามารถบรรลุถึงความเต็มภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมด การแสดงทําก็ถือว่าสิ้งหนึ่งปฏิบติกานี้